หลวงปู่เริ่มป่วยจากโรคชรานับแต่ปี2526ย่างเข้ามาอาการเจ็บป่วยอ่อนๆแอแ อ, อของหลวงปู่ก็เริ่มปรากฏมาพร้อมๆกันเรากลับได้นั้นแนะกันไว้ท่านมักเจ็บปวดบ่อยๆทั้งที่ปกติโรคชราก็ทำงานประจำขันอยู่แล้วเริ่มลุกและเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่เป็นปีๆอยู่แล้วโรคที่เพิ่มความซุกซงก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ จนรู้เห็นได้ชัดในสายตาและความรู้สึกของบรรดาสิทธิและประชาชนที่เข้ากราบเยี่ยมส่วนคณะนายแพทย์ที่คอยดูแลรักษาหลวงปู่เป็นประจำไม่ขาดตลอดมานั้นคือคณะแพทย์ทางอำเภอหนองบัวลำพูและคณะแพทย์ทางโรงพยาบาลอุดรได้ควบคุมดูแลอาการของท่านเป็นประจำศาสตราจารย์แพทย์อวยเกติสิงนับว่าได้ดูแลท่านหลวงปู่อย่างใกล้ชิดท่านหนึ่งทั้งเวลาปกติและเวลาเจ็บป่วย มีการไปไปมามาอยู่เสมอมาเป็นเวลาหลายปีแล้วทั้งหมอที่มาจากสำนักพระราชวังเป็นครั้งคราวช่วยกันพยาบาลรักษาท่านอย่างใกล้ชิดด้วยความสนิทใจและเคารพเพิ่มใสายในหลวงปู่จริงๆแม้เะนั้นอาการต่างๆก็คอยแต่จะกําเริบอยู่เสมอท่านมีอาการเวียนศรีศรษะเป็นประจำนั่งนานไม่ค่อยได้นี่เป็นสาเหตุแห่งโรคชนิดอื่นจะตามมาเช่นโรคบวมตามหลังมือหลังเท้าอ่อนเพลียมากฉันไม่ได้ อาการเหล่านี้ค่อยทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันเวลาจนกลายเป็นคนไข่หนะักทั้งที่หาไข่จริงๆไม่เจอเจอแต่อาการเหล่านี้ในองค์ท่านไม่ปรากฏมีโรคชนิดใดอย่างแท้จริงปรากฏเลยในความรู้สึกของหมอและคนทั่วไปจึงรวมลงในจุดเดียวกันว่าท่านวรณภาพด้วยโรคชราโดยแท้การเขียนเรื่องอาการป่วยของท่านเห็นว่าไม่มีอะไรแปลกและพิสดารพิธรรมดาจึงเขียนเพียงย่อๆพอท่านผู้อ่านทั้งหลายเข้าใจกัน